อธิษฐานภาษาไทายนี้ไม่ต้องทําอะไรมากนะก็แค่พนมมือจุดธูปเทียนส่วอธิษฐานภาษาบาลีนี่มันหมายถึงการลงแรงบางอย่างแล้วก็ไม่ได้อ้างอิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆเพื่อจะให้สําเร็จผลแต่อาศัยความตั้งใจอาศัยความเพียรของตนอย่างวันนี้เนี่ยพระจะอธิษฐานรรษาก็คืออ่า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 ทำบัิษฐานแค่สองข้อนี่มันช่วยได้เยอะทีเดียวเพราะเหตุว่าพอปฏิบัติไปแล้วเนี่ยนะสองสามบัพติี้เันเครียดมากนะมีความทุกข์มากปวดไหล่ปวดขาปวดหัวเพราะปฏิบัติผิดวิธีนะคิดจะนะออกจากวัดสนามในนะไปปฏิบัติที่อื่นนะตอนนั้นก็นึกถึงส่วนโมกแต่เนื่องจากไม่ครบบัิติศนะ ก็เลยต้องอยู่ให้น่องจามให้ครบเดือนก็เลยต้องอยู่ให้ครบเดือนแล้วปรากฏว่ามันก็เกิดความเปลี่ยนแปลง <c oughs> เกิดพัฒนาการขึ้นในช่วงอันที่สุดท้ายซึ่งก็ส่งผลทําให้ตัดสินใจบวชต่อหลังจากครบ3เดือนแล้วก็บวชต่ อ, อเป็น1ปีแล้วจาก1ปีก็เป็น2ปีแล้วก็จาก2ปีก็เป็น10ปีแล้วก็จนมาถึงวันนี้นะ อันนี้ก็เป็นพอจนิสงการอธิษฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าการอธิษฐานเนี่ยนะมันมีความสำคัญมากมีอานิสงส์หลายประการเพราะฉะนั้นในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยน ะ, ะก็เป็นธรรมเนียมนะแล้วก็เป็นไปตามพระวินัยด้วยว่าพระเนี่ยจะต้องอยู่ให้อยู่ในอาวาสใดอาวาสหนึ่งหรืออยู่ในที่ใดที่หนึ่งเนะี่ยให้ครบสามเดือน นะตลอดรู้ดูฝนแต่ว่าลำพังเนี่ยวินยยัยเดียวไม่พอนะก็ต้องอาศัยความตั้งใจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เช้านี้เนี่ยนะพระทั้งวัดนะที่ตั้งใจจะทำพรรษานะก็จะมีการกล่าวคำอธิษฐานนะต่อหมู่สงฆ์นะซึ่งญาติโยมก็จะได้รับรู้ด้วยว่าตนเองเนี่ย ตั้งใจว่าจะอยู่ที่วัดป่าสุกโตเนี่ยให้ครบสามเดือนหากมีเหตุมีความจำเป็นที่จะต้องไปค้างแรงที่ทอื่นนะก็ไปได้นะไม่เกินเจ็ดคืนก็จะสัตตาหะกรณีย ะ, ะเสร็จธุระแล้วนะหรือว่าเมื่อครบเนจะ็ดคืนแล้วก็ต้องกลับมาพาะเมืองไงก็จะขับพรรษา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 นิพพานก็อยากได้นะแต่ว่าติดนะซีรีส์เกาหลีเงี้ยนะจนกระทั่งไม่ได้หลับไม่ได้นอนบางทีงานการก็ก็ไม่ได้ทำนะเพราะดูกันทั้งคืนนะก็ควรใช้โอกาสนี้เนี่ยนะอธิษฐานซะว่าเนี่ยเราจ ะ, ะ, ล, ะลดเราจะดูให้น้อยลงนะหรือว่าถ้าเลิกได้นะในพรรษา น, นี้ก็ยิ่งดี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 อย่างนี้ก็เป็นโทษนะก็ลองนะใช้ช่วงข้าบันษานี้แหละอธิษฐานว่านะเราจะลดการดูหรือว่าเลิกไปเลยนะทั้ง3เดือนนี้อีกอนหนึ่งที่คนติด ก, กันมากนะก็คือนะพวกโซเชียลมีเดียนี่แหละ l i น์เฟซบ o o กเนี่ยใช้เวลากันวันหนึ่งนี่หลายชั่วโมงทีเดียวจนกระทั่งไม่มีเวลาหลับไม่มีเวลานอน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 หรือถ้าบางคนอาจจะเลิกไปเลยนะพักไปเลยก็ดีก็ได้นะ ล, ลองดูนะว่าเราติดอะไรนะที่มันเป็นปัญหาที่สร้างความหนักอ ก, ห น, กหนักใจหรือสร้างทุกข์ให้กับเราบางคนชอบชอปปิ้งนะชอปปิ้งนี่ทุกอาทิตเลยนะก็อาจจะอธิษฐานว่าเนี่ยเราจะไปเที่ยวห้างเดือนละครั้งนะหรือว่าเลิกไปเลยนะในพรรษาก็ได้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 อย่าดูถูกนะแม้แม่สิ่งเล็กแม่ความดีเพียงเล็กน้อยถ้าทำทุกวันทุกวันนี้มันสามารถจะเปลี่ยนชีวตเราได้มีเรื่องเล่าว่าเนี่ยสมัยที่หลวงปู่ดูเนี่ยพรหมปัญโยท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยวันหนึ่งก็มีสิทธ์นะมากราบท่านนะสิทธ์ผู้นี้เนี่ยก็พาเพื่อนมาด้วยเพื่อนนี่เป็นคนติดเหล้านะพอสิทธ์กราบแล้วกราบหลวงปู่ดูแล้วเนี่ยนะ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 จากการนั่งสมาธิก็เลยนั่งยาวขึ้นนะจากหนาทีเป็น10นาทีจาก10นาทีก็เป็นสินาทีจากเดิมเนี่ยพอนั่งสมาธิเสร็จก็ไปกินเหล้านะแต่คราวนี้ก็เริ่มกินเหล้าน้อยลงแล้วเพราะว่านะอยากให้เวลาการนั่งสมาธิมากขึ้นแลวตอนหลังความสงบที่เกิดจากสมาธิก็ทําให้ความอยากเหล้านะ่มันหายไป ก็กลายเป็นว่าเลิกเล่าได้นะเพราะว่าการนั่งสมาธิและที่นั่งสมาธิได้นานได้ต่อเนื่องก็เพราะรับปากนะหลวงปู่ไวนะ้เริ่มต้นจากวันละห้านาทีตนหลังชายคนนี้ก็มาบวชพระนะจากคนที่ติดเล่าเนี่่กลายเป็นพระนะทั้งหมดนี้เปลี่ยนแปลงได้เพราะการนั่งสมาธิวันละหนาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงคําั่นสานี่เนี่ยเราควรใช้โอกาสนี้เนี่ยนะทำความดี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 พอครบพรรษาก็อ่านจบแล้วก็ทำให้ได้ความรู้นะในเรื่องพระพุทธศาสนานะซึ่งก็เป็นพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติในเวลาต่อมาได้นะเพราะฉะนั้ น, นในวันนี้เป็นวันแรกของการเริ่มต้นเทศกาลเข้าพรรษานะก็ขอเชิญชวนนะทุกท่านไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นแม่ชีอุบ า, ส, บาสิ ก, กานะลองนึกสักอย่างว่าเราจะอยากจะทาอะไรหรือตั้งใจจะทาอะไร ให้ได้ให้ดีนะในพันสานี้ตลอด3เดือน